ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทานร่างกายอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากไวรัตับอักเสบซีเนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวมันเองขึ้นจากไวรัสตับอักเสบซีธรรมดา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 และาการต่อมาที่มันเป็นควบคู่กันไปจากปวดท้องหรือท้องบวมที่เกิดจากน้ำนั้นก็จะมีอาการอ่อนเพลียนคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะรู้สึกอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนจะไม่ค่อยมีแรงทำงานหรือทำหน้าที่อะไรต่อจากนั้นก็จะมีโรคอาการเบืออาาเบ่ออาหารเบื่ออาหาร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 กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันไปเลยเนี่ยอันนี้มันมีแค่อาการที่เห็นได้ชัดเจนแต่ที่จริงมันมีมากกว่า น, นี้แต่เอาอาการที่มันเห็นกันง่ายๆแค่นี้ก่อนเนีไอ้โรคนอนไม่หลับเนี่ยผมเองก็เป็นนะเนี่ยผมก็ปกติบางคนที่นอนหลับง่ายพอถึงเวลาสองทุ่เนี่ยเพอ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 แต่สังเกตดูจิตใจแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรนะกับการนอนไม่หลับก็ไม่เป็นทุกข์เรายอมรับได้ถือวเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งเราก็ปล่อยใจให้สบายๆกล่อมจิตกล่อมใจโดยทำใจให้สบายๆไม่ได้คิดอะไรมันก็หลับไปเลยก็มีนะนีหลับไปอย่างสบายๆแต่ยังไงซสียมันก็หลับได้ไม่ยาวหลับได้สั้นๆ น, นีชั่วโมงหนึ่งตื่น2ชั่วโมงตื่นไม่เกิน3ชั่วโมงมจะต้องมีอาการตื่นมา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 แต่ดูล้วมก็เรื่องธรรมดาเมื่อไม่หลับก็ไม่หลับมันจะหลับก็ไม่เป็นไรไม่หลับก็ไม่เป็นไรถ้าเราวางใจ้เป็นกลางอย่างนี้เราไม่ทุกข์อาการนอนไม่หลับหรอกทุกอย่างก็ตามถ้าเรามีไม่มีความคาดหวังหรือปฏิเสธด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยใจมันจะเกิดการยอมรับแล้วมันเจอเกิดการเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรได้นั้นต้องจากยอมรับก่อนยวมรับว่าการนอนไม่หลับนี่มันไม่ใช่ปัญหา มันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็นอนไม่หลับัรงนั้นแหละอ่มันเป็นเรื่องธรรมดาเรามองเป็นเรื่องธรรมดาซะเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรเนีเรื่องบางอย่างเนี่ยเราอย่ามองเป็นปัญหาเสียทั้งหมดอย่ามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเป็นอุปสรรคที่เราต้องแก้ไขฝ่าฟันหรือทําลายไปที่จริงมันไม่ใช่เนี่ยบงทีมันไม่ใช่ปัญหาเนีเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่างหาก อุบัติเหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันคือชีวิตมันคือการเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะอยู่กับสภาพอย่างนั้นน่ะด้วยใจที่ผ่อนคลายและไม่เป็นทุกข์นี่สำคัญมากถ้าเรามองเป็นปัญหาเราก็จะแก้ไขแต่ปัญหานะ่ะหาทางแก้ไขปัญหานะ่ะถ้าเรามอง เ, เรื่องธรรมดาเราจะไม่ไปแก้ไขเลยเล ย, เยคือการยอมรับพยายามรับใจมันก็ผ่อนคลาย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 พอเราทําใจยอมรับแบบนี้ได้แล้วก็บุ้งหน้าที่จะปฏิบัติโดยที่ไม่ต่อต้านกับไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสบายใจแล้วมันก็จะหลับไปเองแล้วยิ่งมาต่อระย่างหลังนี่ความคิดไม่มีไม่ค่อยมีความคิดอะไรมีแต่เรื่องทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นความปวดท้องนะการท้องอื่นหายใจไม่ค่อยดนะีบางทีก็มีอาการอ่อนเพลียบ้างแต่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหา แต่เนื่อคือเรื่องร่างกายแต่เรื่องความคิดไม่มีไม่มีความคิดอะไรที่จะบันแทะทำให้เรามองเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคไปได้แต่ที่สาคัญคือเราได้ความรู้จากการนอนไม่หลับของเราได้ความรู้อาจจะเป็นความรู้ที่เกิดจากจินตามิปัญญาคือการนึกคิดนะแต่การนึกคิดเนี่ยมันนาไปสู่การภานาให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเวลา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 แต่เรามองไปในแง่ของว่าพัฒนาจิตใจเราให้เกิดปัญญาก็ได้อ่านละขอให้ทุกท่านโชคดีนะกุศลบายธรรมว่า